สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 95เรื่องปิดท้ายของเราครับเรื่องของอั น, นิสงค์คาถาเรื่องนี้ไปได้รับฟังมาจากเพื่อนทางเฟ e บุ o กท่านหนึ่งครับฮะเป็นยังไงเขาเล่าไม่ได้รับฟังครับพี่จในเฟซผมเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคับชื่อคุณหนึ่ง คนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันออืเขาจะปฏิบัติธรรมเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขาก็ฟังพี่ก๊สอยู่คุณหนึ่งก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีการคุยกับผมอยู่เรื่อยๆออือแล้วก็ได้เจอกันใน ป, ป่าถังสรนกันได้ไปคุยได้นั่งทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับทีนี้พอเราสนทนาทำกันเนี่ยอื ม, มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณหนึ่งเนี่ยเขาหายไปเลยครับหายมันแบบเข้ากิบเมฆไปเลยอ่ะออื พักเฟซไปก็ไม่ตอบผมก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรวะเราก็เริ่มคิดต่างๆนานาจนมีวันหนึ่งเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกับเขาเขาแบบหายไปนานแล้วเพิ่งมาอ่านขอ้อความผมครับ <S S S> <c oughs> เขาก็ตอบกลับมาว่าพี่กิงสวัสดีครับขอโทษด้วยนะครับหนึ่งไม่ได้อ่านเฟซเลยช่วงนี้ออืผมเลยถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ตัวเขาเนี่ยปกติแล้วในการที่จะทําอะไรเนะี่ยเขาจะพิจารณาทำตลอด เรื่องของผีหรือวิญญาณที่เราพูดกนันน่นเป็นเรื่องแบบคนน้นกลัวคนนี้กลั ว, ต า, วตามวันตามวานอ่ะเขาก็ไม่เคยกลัวนะแล้วก็ไม่เคยได้สนใจอะไรด้ยเพราะปฏิบัติทำมาก็เป็นคนที่ปฏิบัติแล้วแทจะไม่ได้สัมผัสอะไรเ <c oughs> ลยว่าเลยเลยไม่กลัวอืมทีนี้ความที่เขาเป็นคนที่มีจิตไม่ตาะหมาแมวอะไรก็ช่างที่เป็นสัตว์ใครว่าหมาตัวนี้ดุ <c oughs> อันนี้ลอดไวเลอร์หมาฝรั่งเขาเดินเข้าไปนะเขาเดินเดินเข้าไปแล้วจ้องตานะอืม แล้อามือรูปได้เลยแล้วเรื่องเนี้ยผมเคยเห็นจริงๆด้วยหมาที่ไหนก็ช่างที่แบบว่าดุๆเนี่ยคุณหนึ่งเดินเข้าไปแล้วเอามือรูปหัวนะจบเลยอืแต่ช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาโดนหมากัดเขาบกเขาตกใจสุดชีวิตซึ่งในชีวิตเขาไม่เคยโดนเลยออืกัดแบบ ว, ว่ากัดจากใต้ฝ่าเท้าเขาอะเกือบทะลุหลังเท้าเลยอออืืนับเขาเต็มแรงเลยด้วยความที่ว่าคือหมามันเป็นหมาดุแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนเขาเจ้าของเขาบอกแล้วว่าอน้องหมาดุนะ ดูจริงๆไอ้นี่มันเอานะแล้วมันก็ไม่เห่าเลยมันพุ่งเข้าหาเลยเขาก็เลยยกเท้าขึ้นแบบเหมือนแบบจะเล่นกันเหมกันว่าเอออยากกัดกันนะมันไม่เล่นด้วยแต่มันงับเลยครับพอมันงับเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งแต่นั้นมาคนหนึ่งขเขาก็ขวัญเสียคือเขาบอกว่าเขาสวดมนต์ไม่ได้แม้กระทั่งน้ำหมูอืมือนจิตตกไปเลยครับแล้วที่บ้านเขาก็บรรยากาศอึงอึอืงตัวเขาเองก็พิจารณาทาอะไรไม่ได้ ครับที่เป็นคนไม่เคยวุ่นวายก็วุ่นวายแม้กระตั้งกับอุปการีตัวเองโปรตีนคนหนึ่งมันคงไม่ตันอยู่มากนะอืมแต่แกก็แบบพักนี้หนึ่งดูเป็นไรหนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งวุ่นวายมากเลยอะ่ะเหมือนไม่ใช่ตัวหนึ่งเลยผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้สิคนหนึ่งเราก็เป็นคนส่วนมลทำไมไม่ส่วนมลทำไมบสวดครับแต่มันสวดไม่ได้เลยครับผมก็เลยถามว่าแล้วเคยไปได้ไปหาพระได้ไปเรียกขวัญได้ไป ลดน้ำมนต์หรือเป็นนังง่งฟังพระฟังธรรมให้มัน <Ừ. S 2> ดีๆกันบ้างไหมในระหว่างสองสามเดือนที่หายไปเนี่ยไม่เคยเลยพี่หนึ่งมีความรู้สึกไม่อยากเข้าวัดอืผมก็เยอย้าเฮยยังไงซะแล้ววะก็เลยว่าอเอายี่ไหมลองเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นไงพอเขาเล่าเรื่องมามาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้ น, 1, นหนึ่งสวดมนม่ได้หนึ่งเลยไปหาหมอธรรมทางอีสานนะครับเขาบอกงี้นะหมอธรรมดูให้ว่ามีวิญญาณตรงนั้นของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอีดำ แต่งตัวมอสอม อ, อคือเรื่องนีเรื่องแต่งตัวเนี่ยเขาค่อยๆบอกคุณแล้วว่าแต่งตัวมอสอมอสอผมยุ่งยุ่งใส่ชุดสีดำทั้งชุดครับเป็นวิญญาณผู้หญิงที่มีสกรปรกอะแล้วอยู่ตรงนั้นเหมือนกับความเชื่ออันนี้ความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะพอคุณหนึ่งโดนหมากัดจิตตกขวัญเสียมันกุมหมาขวัญของคุณหนึ่งไว้ออืแล้วก็ตามคุณหนึ่งไปทุกที่อันนี้ตักกลับมาที่ห้องของคุณหนึ่งที่บรรยากา ศ, รรากาศคึมคึมคึม เรื่องนี้คุณหนึ่งยังไม่เล่าให้ผมฟังนะแต่แกมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าในห้องแกเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยโดนหมากัดนนะ่ะบรรยากาศมันจะมีความน่ากลัวแม้กระทั่งตัวคนหนึ่งเองเนี่ยนอนอยังไม่กล้าจะแครงหันหลังให้กับด้านประตูอ่ะแกเสียวหลังยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกออืแล้วแอร์ในห้องนอนของแกเนะี่ะสมมุติว่ามันกําลังทํางานอยู่มันกระดึ๊กตัดเป็นนหนึ่งแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่คระดึกตัดเป็นหนึ่งติดขึ้นมาใหม่อืจนหลานของเขาเนี่ยซึ่งเคยมาเที่ยวห้องบ่อย มาก็จะมานั่งเล่นเกมอันหนึ่งเล่นเกมด้วยนู้นนี่นั่นพอมาครั้งนั้นเสร็จพุ่มยาหลานเป็นเด็กนะเด็กเด็กเล็กมากๆเลยยังไม่เรียนเลยพอมาถึงปุ๊บเข้ามาในห้องมองไปที่แอร์เสร็จแล้วบอกอันึนึ่มผีอยู่ในแอร์แล้วหลานไม่ออกนอกห้องเลยนะเขาก็มีทําอะไรผีอะไรอยู่แฮมีผีมองมาจากรูแอร์คุณหนึอบอกว่าไม่มีมานี่มาหาอ่ะแล้วเขาก็ช่วยน้องการคนดู่ะหลานนี่เหมือนไม่อยากเข้าใกล้ด้วยเงี้ย เขไปเขาก็ว่าอะไรอย่างเขาจนมาถึงวันที่ที่คุยจะผมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไร น, นอกจากเรื่องที่เขาพูดเงี้ยผมก็ได้แต่แนะนําสามสาวคนสวดมนต์ว่าคุณหนึ่งลองท่องพระคถาวิปสัสสิตสิพระคาถาพระคถาวิปัสสิตเป็นของใครก็บอกเป็นของพระทวเท ว, วีสุวรรณท่านเขาว่ายไปแถวทีเจ้าสําหรับพิสูจน์ส่งที่ออกทุดงแล้วมันก็เจอผีรอกหรือว่าเจอพวกพูดอสุรกายรบ ก, กวนอย่างเงี้ยได้ผลเหรอพี่จิมได้ผลสิ ชื่อเราผมทุดงผมก็ท่องอนนี้ตลอด ห, หนึ่งท่องไม่เป็นน่ะก็เลยบอกมาเนี่ยคุณหนึ่งเิร์ชนะคำนี้นะวสระอีบอนานาเซคือบอกเสร็จปูเซิร์ชเจอหนึ่งไม่รู้ทำนองนั้นผมจะสวดให้ฟังจังหวะที่ผมสวดนะพแ ด, ด๊ดก็ท่องไปท่องไปเสร็จปุ๊บยผมไม่รู้เล ว, ว่าคุณหงเยาเปิดลำโพงพอในขณะที่ผมกาลังท่องอยู่วิสสนมันกุจคุมันสิลีมาตโตปุ๊บแอร์ในห้องก็ดัง อืมสนันอืมแล้วเขาบอกผีผีอย like ู่ตรงใช่ไหอืม claro ผีอยู่ตรงใช่ไหมบอกได้ยินเสียงอะไรฮะแอร์ห้องมันดับไปเฉยเลยค่ะครับนี่ยดับไปร่วมห้านาทีแล้วครับตอนนี่ฉันต้องอยู่อ่ะผมก็ว่าแล้วแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรครับผมผมส่วนมนต์อันนันมันแอร์คืออย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกเขายังไม่ไพูดเรื่องเรื่องที่หลักเขาเจอผีในแอร์นะอืมแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะผมสวนมนต์ ผมแค่สวดให้ฟังแอร์มันตับไม่เกี่ยวกันมั้งพอพูดจดปุ๊บแอร์ติดขึ้นมาแล้วแกบอกแอร์หนึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านยกมานะหลังจากนั้นเขาก็สวดมนต์ได้พอสวดมนต์ได้เสร็จปุ๊บมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติทำกันพิมพ์ข้อความมาว่าพี่พวกพี่เล่นอะไรกันก็ถามทำไมผมก็พิมพ์ตอบกลับใช่ไนหะ คือหนูนั่งสมาธิอยู่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครั บ, รบไม่ไม่เชื่อไม่ว่าอะไรเลยแต่ข้อความที่คุยกับน้องคนนั้นนะ่ะผมก็ยังเก็บไว้แล้วเคยมีเพื่อนนะ่ะชื่อคุณวอผมเคยเอาให้ดูอน้องเขาทักมาทันทีว่าพวกพี่เล่นอะไรกันหนูนั่งสมาธิมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุด ด, ดำๆหัวยิกยิกเจสื้อกระเซอร์อรอ ก, รก็สกปรอมานั่งยกมือไหว้มาที่ทุ่นลนทุลายอยู่ข้างๆหนูบอกว่าพวกพี่นะ่ะทำเขาครับวงเลยบอกว่าเมน้องเขชื่อเมน่ะบอกผมเมน วิญญาณทุกดวงถ้าไม่เลวร้วรายจริงๆฟังสวดมนต์จะไม่มีผลกระทบอะไรครับพอจิตที่มีเคยมุ่งทำร้ายใคร อ, อยู่แล้วพี่จะสวดมนต์ให้คุณหนึ่งฟังนิดเฉยแล้วผมโทรกลับมาเล่าให้คุณหนึ่งฟังนะตอนนั้นเลยทันทีคุณหนึ่งบอกวิญญาณนั้นแต่งตัวไงอันนี้คือคุณหนึ่ง ค, ออค่อยมาพูดให้ผมฟังนะมผมบอกคุณหนึ่งลองพูดก่อนว่าวิญญาณของ ดำที่คุณหนึ่งว่านแต่ตัวตอนนั้นแหละเาถึงได้พูดว่าหัวยิกๆกใส่ชุดดำทั้งชุดกระเซิริลซึ่งตรงกับที่น้องคนนั้นพิมพ์มาให้ผมนะตอนนั้นเลยโอ้ตรงกันโอ้ใช่ครับบผมก็เลยว่าเรื่องมันเอื่นี่มีในโลกนะจะแคปข้อความของน้องคนนี้นี่เป็นสาเหตุที่ผมเก็บเอาไว้นะคือแคปข้อความของน้องคนนี้ส่งไปให้คุณหนึ่งบอกเนี่ยพอคุณหนึ่งกับผมอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ย น้องเขาก็ทักมาเลยคุณหนึ่งก็สวนกันมาบอกแล้วพี่ชิงรู้ไหมตอนนียหนึ่งสวนมนต์ได้แล้วเนี่ยหนึ่งกลังสวดมนต์อยู่เลยนะพี่ชิงโทรมาเนะี่ยว่าอ้าวขอโทษอ่านี่ออนิสงส์ของการสวดมนต์แล้วโอ้คือหมายถึงว่าครั้งนั้นที่เขาโดนหมากาดเหมือนชีวิตเปลี่ยนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างคือมันดรอปลงเฮ้ยอันนี้ผมผมเคยได้ยินมาลักษณะนี้เขาบอกว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งพวกนี้ยหรือว่าจะโดน สิ่งที่ไม่ดีโดนของอะไรพวกนี้จะเป็นช่วงที่ขวัญหายจิตตกดวงไม่ดีป่วยคือร่างกายมันอ่อนแอมันอ่อนแอทั้งกายและก็ใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาแฝงเข้ามาทาอะไรเราได้ง่ายมากโอ้จากโดนเรื่องของคาถาขอเนี่ยนะครับที่เป็นการเสริมขวัญและกำลังใจเนี่ยผมจะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมเล่าไป ไม่ให้ไปฟังกันอย่างงมง า, าย<ะ>เรามาแยกแยะในศาสนาพุธของเราว่าพุทธของเราเขาไม่ได้บอกว่าคาถา น, นี้มีไว้เพื่อปราบผีพุทธเราไม่เคยทําร้ายผีเลยไร่<ะ>ไม่เคยมีการแสดงตัวเป็นพ่อมดหรือหมอผี<ะ>แต่คาถาหรือสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏในบาลีออืที่กึ่งเหนือขึ้นว่ามีตรงนั้นมีต้นมาจากนี้ต่อมาจากนั้นเราสร้างมาเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าประทานตอนนี้<ะ>ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้สิ่งอันเป็นอัปมงคลเนี่ยไปเนี่ย น่าจะมาจากการที่เป็นพรคาถาหรือเป็นพระธรรมบทอันสวยงามของพระพุทเจ้าที่ดารงโดยขบวจจนฉาอันงดงามเป็นศิลาจารวัที่งดงามซึ่งจะบอกว่าผีกลัวไห ม, มค่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่เราขับเอาสิ่งอัปมงคลออกไปกทนที่เราเอาสิ่งดีเข้ามามากกว่าไม่ใช่ว่าเราผมต้องมานั่งเทียนเขียนคาถาแล้วก็เป่านน่นนี้นั่นที่ผมเองผมก็ไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะผมลงมาผมก็ไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้ออาจารย์จะสอนให้สมาธิจงกลมสวดมนต์สวดมนต์อันนี้ส่ก็คือการสวดมนต์ ถ้าเราจะเถียงว่าการสวดมนต์มันอาจจะเป็นเรื่องของความงม ง, ง, งายไหมการทําอะไรเป็นงม ง, ง, ง, งายไหมครับนั้นผมก็จะถามว่าครูบาอาจารย์ท่านมีปัญญามากกว่าเราเยอะอที่เราจะไปวางปัญญาในการแก้ไขหรือประถกเถียงกับท่านนี่ะคับท่านยังไม่เคยเอาเรื่องนี้มาถกให้ปวดหัวเลยอือนนเพราะว่าท่านก็ต้องรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างไรอย่างมีปัญญาและมีสติอือฮะอือฮะนั่นนะ อันนี้ผมก็มีความรู้สึกเห็นด้วยนะกับกับคุณคิงว่าเรื่องของคาถาปราผีทางทางพุทธศาสนาผมว่าคงไม่มีหรอกไม่มีน่าจะเป็นคาถาที่เอาเอ า, เอาตามที่ผมเข้าใจผมผมไม่ได้บวชเรียนมาผมผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เอาตามที่ผมเข้าใจคือเป็นคาถานะครับเพื่อบูชาถ้ามอง ถ้าเป็นพูดในแง่มุมของชาวบ้านเอาเท่าที่ผมเข้าใจนะใี่คือคือเป็นคาถาบูชาสิ่งดีๆคาถาล้ำลึกถึงลึลึกถึงนะครับอา่าสิ่งดีๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระสงฆ์อะรเยะอะอริยสงฆ์ต่างๆนะครับคือเหมือนกับว่าอา่าใช้คาถาในการบ่งบอกถึงท่านและให้ท่านอวยพรมาให้เราน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่า มันก็ออกเป็น เ, เขาเรียกว่ายัางไงนะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยหาสลิตผลกันทั้งหมด<อ>แต่ว่าให้เรามองเห็นเหมือนอากาไม่เคยจับต้องได้นะ<อ>แต่มีการทํางานอยู่จรง<อ>ิงครับการส่วนมูลเหมือนกันนักวิยาศาสตร์นะครับอันนี้คือนิดหนึ่งเนาะทิงคก<อ>็คือว่านักวิศาสตร์เนี่ยเคยมีที่เขาก็ไม่เชื่อมือกันแต่เรื่องผู้นี้แล้วเขาก็เอาน้ำสองแก้วนะพี่แจ๊ ไปตั้งในห้องระหว่างห้องที่มีคนเนี่ยคุยกันเรื่องปกติ ม, มีสัญาพอกันพูดตลกโผล่ฮาหรือว่าจะเป็นเรื่องลามกต่างๆกับอีน้ำอีกแก้วหนึ่งเนี่ยเทมันจะกวดเดียวกันแล้วไปตั้งไว้ในห้องรอรพระปรากฏว่าเขาตรวจผลมลกุลของน้ําเนี่ยน้ําที่อยู่ในในห้องปกติเนี่ยออืก็จะเป็นโมเลกุลที่อัดแน่นแล้วเป็นสีแบบขุ่นๆแต่น้ําที่อยู่ในห้องสวดมนเนี่ยจะเป็นเลี้ยงเป็นเพชรเม็ดใสใส ในรสชาติก็ต่างกันลองทําดูได้นะครั บ, รบอยู่บ้านลองทําดูได้คใครเอาตรงนี้ไปลองทําดูได้เลยออืสําหรับน้ำสองแก้วนะครั บ, รบเอาไว้ที่หนึ่งที่เราจะไปนั่งดูทีวีคุยเรื่องตลกต่างๆคซาบะดีสีบดลต่างๆแล้วแต่เราเลยออืแต่อีกแก้วหนึ่งเนี่ยอย่าไปยุ่งไว้ในห้องพครัะแล้วเราลองเอาแก้วน้ํามาชิมเนี่ยเอาผดแค่สองวันสา ว, วันพอผมเคยลองนะได้ผลด้วรสชาติเปลี่ยนจากน้ํำผลเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอือนะฮะแต่ทั้งหมดเลยที่คุณคิงเล่ามานะ ทั้งหมดเลยคือเราในฐานะของคนธรรมดาคนทั่วไปนะครับคิดดีทำดีดีที่สุดสตินะครับสัมปชัญญะสาคัญที่สุดนะครับเราคิดดีเราไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปเบียดเบียนใครนั่นคือสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองอยู่แล้วเนาะ ไม่ว่าจะอะไรก็มาทําร้ายแพร่พานเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทําแต่สิ่งดีๆไม่มีหรอกครับการไปพูดเพลา ะ, ราะหรือว่าการไปทําสิ่งดีๆแล้วแล้วเราจะไปเจอเอ้ยนักเลงหัวไม้โอ้ยนี่พูดเพลาะเลยหมันไส้ไม่ผมว่าไ ม, ไม่ไม่มีหรอกส่วนมากมันก็มนไม่แน่นะพี่แจ๊น้อยน้อยไม่มีหรอก เราคิดดี่ิดดนผมไม่ได้ผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ผมเชื่อว่าความดีแหละเป็นเป็นสิ่งที่ที่มันถูกต้องที่มันดีที่สุดละครับนะคะอันนี้เป็นความจริงที่สุดแล้วครับเพราะว่ายังไงเขาทำยังไงเ้าก็ได้อย่างนั้นแหละครับที่ผมจะฝากรูปสองรูปนี้ไว้ให้พีจ็คหน่อยเพราะว่าเราควรมีคนเขาถามมาแล้วผมไม่เคยได้มีเวลาแบบอะไรเลยที่มันเป็นรูปที่ผมไปเที่ยวอยุธยาเมืองเก่าเนาะอืมแล้วทีนี้ว่าผมเนี่ยก็ถ่ายรูปยิงคุยกับ คุณลุงท่านหนึ่งที่เขาเป็นคนดูแลที่นั่นนะอ่อแล้วปรากฏว่าแฟนผมเนี่ยเขาถ่ายรูปครับเขาก็ดูแล้วตรงนั้นไม่มีใครเป็นเวลาที่ทุกคนออกมาหมดแล้วออืแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องสัดย่าเนี่ยไปถวายที่นั่นครับโอ้โอเขาก็ดีใจคุณลุงเขาบอกอยากได้มานานแล้วก็เลยจัดหาเครื่องสัดย่าไปถวายเขาสองเครื่องครับปรากฏว่าแฟนผมเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ยินไม่ได้ฟังองุดหงิถ่ายรูปไปตรงเจดีย์เก่า แล้วมันติดรูปคนคนหึงที่มีแค่ครึ่งตัวลอยอยู่กลางอากาศอืแล้วผมก็แบบขยายดูแล้วชัดเจนมากครับมีครึ่งตัวเนะ่ยตอนนี้เดี๋ยวผมส่งให้วิจ็คเลยลุงครับได้ฮะส่งมาที่อ่าอินบ็อกซ์เพจหรือว่าส่งมาที่วีวีส่งมาที่พีบัตรได้หมดเลยตอนนี้ส่งที่พีบัตรแล้วครับพี่แจลองดูได้เลยนะครับเนะี่ยได้ได้ไดคือมีครึ่งตัวด้านบนด้านล่างไม่มีแล้วก็ผมเอาให้คุณลุงท่านนี้ดูว่าคุณคลุงนะับ ผมสงสยยัยไงอีกทีก่หนึ่งผมไปเลยคุณลุงคุณลุงบอกว่าคุณลุงดูแลที่นี่มาสามชั่วอายุคนเนาะเขาบอกว่าใช่สามชั่วอายุคนนี่อยู่อยู่ยุคประมาณราชการที่สี่ราชการที่ห้าอะไรนี้ ไ, ได้ไหมเขาบอบน่าจะได้สี่ห้าหกประมาณนั่นแหละลุงก็ไม่รู้หรอกแต่ประมาณนั้นอะได้ผมก็เลยบอกว่าแล้วผมเอารูปนี้ให้คุณลุงดูคุณลุงจะรู้จักไหมครับไหนดูซิพอผมหันรูปให้เขาดูขยายปุ๊บคุณลุงใส่แว่นคุณลุงบอกนี่คือหลวงทิพโกษาออ เป็นญาตของเขาเห็นอ๋อเหรอฮะซึ่งเส<อ>ียชีวิตไปนาน ล, ล, ละรอเั้าน้ารูปผส่งไปพี่บัตรให้ดูยังครับยังครับยังฮะพิบัตรน่าจะหลับไปแล้ ว, วครับผมครับ ส, <laughs> ส่วนอีกรูปนึงเนี่ยคือว่าผมเนี่ยออก็ไปเดิเล่นแฟนผมก็ถ่ายเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเราไปเมืองเก่าเราก็ยอมรับว่าเราถ่ายแล้วก็หวังว่าจะติดนู่นนี่นั่นนะครับครับเราก็เอามาขยายอยู่ปรากฏว่าในรูปนั้นมันติดผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวประหลาดๆอยู่มุมกล้องเลย ครับผมต้คงคนอะไรมันแต่งตัวอย่างนี้มาเดินวะอืก็ไปนั่งดูดูดู ด, ดูมันเป็นชุดของทหารมอนสมัยโบราณ น, นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังเรื่อนรูปจะส่งไปให้ดูอ่าได้ได้ไ ด, ได้ผมรอพิบัติส่งมาด้วยนะครับครับแต่รูปทั้งหมดเลยสามารถที่จะเอาลงเพจได้ไหม ครับเราไม่ได้บอกสถานที่เจาะจงว่าตรงไหนโอเคเดีอถ้าไหนที่มันเป็นหน้าคนหรือว่าอะไรเดี๋ยวให้น้องวิวีลองลองเบลอดูก็แล้วกันครับอ่าโอเคอภิบาลส่งไปแล้วรูปนึงฮะฮะฮะอ่าโอเคผมได้รูปที่เป็นเจดีมาละเออเป็นเงาคนเหมือนก็เหมือนพี่แจ็คมองข้างบนนะแล้วพีแจ็คมองข้างล่างลงไปจัดเอวลงไปนี่ยก็จะเห็นเป็นเงากันได้อยู่เอาละวขาคือะเขาไปไหนหมดอ่ะครับเออ เออผมต้องไปดูให้มันชัดๆกว่านี้เดี๋ยวให้ต้องให้วีวีดูอะ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันไม่เท่าไอ้เจ้าวีวีไอ้ น, นี่ไอ้ น, นี่เขาเจ้าเทคโนโลยีอ่าโอเคนะถ้ารูปนี้เนี่ยผมว่าน่าจะลงได้มั้ง ได้ครับได้เพราผมถามเจ้าของที่เขาแล้วเขาบอกลงได้เจ้าของที่เขาดูแลไม่ใช่เจ้าของที่เป็นคนดูแลเขาบอกลงได้คเพราะว่ามันเป็นความเชื่อแล้วก็ย่งดีเผื่อคนจะได้มาบูรณะตรงนั้นอืราชสุดผมก็หาเจ้าภาพไปถวายเพื่อสัญญาสองเครื่องไปแลับสบายญาติมาตองลบกันที่นั้นเออโอเคโอเคได้คุณคิงเดี๋ยวเดี๋ยวไงรอรูปมาครบนะคุณคิงนะขออนุญาตลงที่แฟนเพจ The Ghost Radio นะฮะเดี๋ยวบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณคิง เล่าทิ้งเอาไว้และให้คุณผู้ฟังนั้นลองตัดสินจากรูปภาพนะครับวิจารณญาณในการดูรูปภาพก็แล้วกันนะฮะโอเคได้คุณคิงยังไงขอบคุณมากมเลยนะคืนนี้นะครับเช่นกันครับโอเคขอบคุณดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับวันนี้จะไม่หลอนมนะเป็นเชียร์มิตรหาหอนมากไลยม่เป็นการบวชเกี่ยวกับเรื่องนี้ครัเอนะครับมีหลายฟิลลิ่งมีหลายอารมณ์ก็สนุกเหมือนเดิมเรื่องนั้นยังติดอยู่เพราะว่าผมยังฟังแล้วมันยังไม่จบ เาม่จบเสร็จเนี่ยคุณตูนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอแม่เขาเล่าต่ออืเรื่องที่ผมบอกว่าเขาทนอยู่ถึง18ปแปรับได้ฮะพอได้ข้อมูลมาครบเมื่อไหร่ก็มาบอกอยากรอฟังเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เหมือนเดิมคุณคิงครับโอเคได้คุณคิงไงขอบคุณมากๆานะครับครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับสไคร้ ช annel the ghost radio official กันด้วยนะครับ <laughs>